จิตของเราะน้อมรับอริยมรรคได้ไหมเนี่ยนะอริยมรรคพอที่จะเจริญขึ้นในใจเราได้ไหมเราจะปรุงอริยมรรคให้เกิดขึ้นในใจได้ไหมปรุงโพธิปัจจยธรรมให้เจริญในใจสาเร็จได้ไหมถ้าไม่ได้ทําไงถ้าขณะนี้ยังไงก็ไม่ได้แล้วแนวโน้มข้างหน้าล่ะมีแผนการอะไรสํารองรองรับบ้างไหมไหมก่อนก็บอกเอาแผนการก็คือคุณให้ทานตั้งความปรารถนาเอาไว้ ก็ว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นไปไหวพระเจดีสวดมนต์อะไรเนี่ยนะกว่าวางแผนเอาไว้ให้ดีเลยต้องเจริญให้ได้ต้องเจริญให้ได้คิดอย่างนี้เธอไม่กี่กลับหรอกยอมไหมเนีนะบรรลุแนะ่นะโอ้ยทนอยู่มาน้ําตาเท่าน้ ำ, นำนเท่าทะเลแล้วก็อยู่มาได้ตลอดเนี่ยนะทีจะพอจะบอกว่าผู้จะบรรลุนะมาโอ้ยรีบร้อนเหลือเกินเนี่ยนะเร่งรีบรีบไปไหนก็นไปา บ, บางคนก็บอกโอ้ยบางคนก็บอกเขารีบรีบรีบเขามีเวลาเรียนธรรมะแล้วเพร า, า ง, งั้นเขาจะเร่งรีบบรรลุละ ขอให้มันไปถูกมัดแปดเถอะเนี่ยนะรีบก็รีบให้มันถูกทางถ้ารีบผิดทางเนี่ยนะต่อให้น้ํามันเต็มถังมันก็ไปไม่ถึงไหนเนี่ยนะอา้าวถ้าไปผิดทางล่ะสมมุติถ้าเราเราเดินทางไปผิดทางใช่ไหมแทนที่ควรจะวิ่งไปตรงเรากลับหลังหันแล้วก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยนะหรือติดน้ํามันแรงเลยเนี่ยถ้าเราวิ่งไปไปสมมติถ่าวิ่งไปร้อกิโลเนี่ยนะทั้งยูเทิร์นทั้งกลับเนี่ยบวกลบแล้วเนี่ยมันเป็น200กว่ากิโลเศษ บางทีเวะถามโน่นเวถามนี่เสียเวลาเยอะเลยนะกว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะกว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วกว่าจะเดินทางตรงอีกหมดน้ำมันพอดีเลยเนี่ยนะหมดเรีเร่ยวหมดแรงหมดน้ำมันเพราะฉะนั้นไอ้ไอทางผิดนี่ต้องระมัดระวังว่าถูกกับผิดแล้วผิดกับถูกเนี่ยมันง่ายมากเลยเนี่ยนะมันง่ายมากเพราะมะนั้นมิจฉาจริงๆแล้วสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันห่างกันฟ้ากับเหวนั่นแหละแต่ว่าผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยมันน้อมที่จะตกเหวเนี่ยมไม่พร้อมที่จะขึ้นฟ้าไอ้ตรงนั้นเนี่ยลําบากเพราะฉะนั้นก็ต้อง แต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ใจเราอย่างเดียวอะ น, นะมันแสดงว่าใจนี่มันใหญ่จริงๆเลยนะใจเอ้ยใจจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะเอาศีลไปก่อนแล้วการใจงไงนะทั้งเรื่องนะใจเอ้ยเอาศีลไปก่อนปารณาทิปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธียามีเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ใจเอ้ยเอาศีลไว้ก่อนนะ เอาสาระไว้ก่อนใจเนี่ยนะก็จริงๆนะว่ากุศลธรรมทั้งหลายมันก็เกิดที่ใจให้ทานรักษาศีลทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อให้คุณธรรมเนี่ยบริบูรณเจริญเติบโตขึ้นในใจแล้วก็ผู้ที่บรรลุมรรคผลก็บรรลุที่ที่ใจเนี่ยนะเพราะมรรคจิตผลจิตใช่ไหมเกิดร่วมกับใจเนี่ยนะเพราะใจที่ทีท่เข้าพระสมาบัติก็เป็นเรื่องของใจเพราะในปฏิสัมพิธามรรคจึงเป็นพูดถึงอาวัชนะของใจการคิดของใจ ความแตกต่างของใจใจที่เป็นเอกะตะใจที่เป็นนานตะเป็นต้นเเขาวิเคราะห์ละเอียดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องใจโดยนิยต่างๆเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นสนามสนามการการเรียนรู้การปฏิบัติทดลองทั้งหมดก็อยู่ที่ใจจนกว่าใจจะเจริญด้วยคุณธรรมที่นำออกจากโทษเนี่ย น, นะแต่ใจเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นใจที่ปรุงปรุงแต่งต้องปรุงเยอะมากเลยนะก็เลยเรียกว่าสังคตธรรม วิสาขาอุบาสกถามต่อไปอีกว่าขันสามพระพุทธเจ้าสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรืออริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าสงเคราะห์ด้วยขันสามพระธรรมทินนาเถรีก็ตอบว่าวิสาขาขันสามพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้สงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดก็หาไม่ได้คือสังเกตดูเนี่ยนะว่าจากคําตรงนี้เนี่ย เห็นการใช้พยัญชนะของคนสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันคนสมัยนี้เนี่ยพอเจริญศีลไปได้หน่อยหนึ่งเจริญสมาธิหน่อยหนึ่งเจริญปัญญาหน่อยหนึ่งเนี่ยเขากําลังเจริญมรรคแดอยู่จริงๆเขากําลังเจริญศีลกําลังเจริญสมาธิกําลังเจริญปัญญาแต่สภาพจิตขณะนั้นน่ะไม่ใช่มรรคแจะเขาจะไปเข้าใจผิดว่าเจริญมรรคแดไม่ได้แต่จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าขันสามจึงไม่ได้สงเคราะห์ลงในมรรคแ แต่มรรคแปดสงเคราะห์ลงด้วยขันสามเพราะมรรคแปดเป็นโลกุตระขันสามเป็นโลกิยาเนี่ยนะโดยทั่วๆไปขันสามนะสีลขันสมาธิขันปัญญาขันเป็นโลกิยะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นอาริยมรรคจะสงเคราะห์ลงมาเป็นโลกิยะไม่ได้เนี่ยนะสงเคราะห์ลงไม่ได้แต่ว่าโลกุตระเนี่ยอาจจะเรียกว่ากลุ่มนี้เป็นกองศีลกองสมาธิกองปัญญาโดยโวหารโดยชื่อได้ ก็เลยกล่าวว่าคุณวิสาขะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ลงด้วยกองศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ลงโดยกองสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์โดยกองปัญญากองก็แปลว่าขันน่ะนะนี้เป็นศีลขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาขัน ทัวในครั้งหนึ่งนะว่าสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้สงเคราะห์ลงนในอริยมรรคเลยเพราะอะไรเพราะทั่วท่วไปเนี่ยนะอย่างเช่นปานาติปาตาเวรมณีก็เป็นศีลใช่ไหมแล้วถามว่าเกิดขึ้นในขณะมรรคไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่เป็นอริยมรรคเนี่ยพ ะ, ะนธ์นอริยมรรคเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจะไปอธิบายเป็นอริยมรรคยังไม่ได้ น, นะนะ ส่วนมรแปดสงเคราะห์ด้วยกองแห่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยได้ถามว่าทําไมจึงได้ก็เพราะว่าเห็นไหมผูดโดยโดยอะไรในหน้าสามร้นนอยสี่สนะิบสองเหนไมมรที่เป็นศัพ์ประเทศกับนิพประเทศเนี่ย น, นะอริยมรเนี่ย น, นะทเทระว่า เป็นธรรมที่มีส่วนเหลือมรรคแปบเนี่ยนะเน้นพิเศษคือคือในเฉพาะในมรรคจิตใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยรวมทั้งมหากรุสอนนะมหากุศลนทั้งแต่ยานวิปยุทธยานสัมปยุทธรูปปชาณอารูปปชาณเนี่ยพวกนี้เป็นกองแห่งศีลสมาธิปัญญาเพราะนั่ะอริยมรรคนั้นนแคบศีลสมาธิปัญญานี้กว้างเพราะเอาสิ่งที่กว้างที่สุดเนี่ยนะมาสงเคราะห์ลงในสิ่งที่แคบที่สุดได้ไหมไม่ได้แต่เอาสิ่งที่ แคบที่สุดมารวมลงในสิ่งที่กว้างที่สุดได้ไหมได้พันสินสมาธิปัญญาจะมาย่อจะมาสงเคราะห์ลงเป็นมรแปดไม่ได้แต่มรแปดจะมาสงเคราะห์ลงในสินสมาธิปัญญาได้เพราะมรแปดเนี่ยแคบเน้นพิเศษในขณะโซดาปฏิมรสกธาคารมิมรอนาคามิมร์และอรหัตตมร์แต่ศินสมาธิปัญญานี้ทั้งมหากุศลรูปาวจรอรูปาวจร โลกุตระก็เป็นไปในศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นมรรคแเนี่ยแคบศีลสมาธิปัญญาเป็นคําที่กว้างมันบางคนที่รักษาศีลก็ยังไม่ได้แปลว่าเจริญเจริญมรรคอยู่ไม่ได้แปลว่าเจริญมรรคถามว่าทําไมจึงเรียกว่าไม่ยังไม่เจริญมรรคเพราะศีลสมาธิบางอย่างทําให้เกิดในมนุษย์ก็ไม่ใช่มรรคแปดมรรค8ดเป็นทางนําไปสู่นิพพานมรรคแดไม่ใช่ทางนํามาสู่เกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือ พรหมพันศสลสมาธิปัญญาทั่วไปนำยังนำเกิดแต่มรรคแปดไม่นำเกิดสภาวะของอริยมรรคไม่นำสู่ชาติชราและมรณะเป็นต้นน่นนะทีนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นศีลโดยชาติสภาวะของเขาเนี่ยเป็นศีลชาติกําเนิดของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะชาติกําเนิดของเขาเนี่ยเป็นศีล ส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาสมาธิเนี่ยชาติกําเนิดเนี่ยเป็นสมาธิตรงตัวแต่สัมมาวายามะสัมมาสติชาติกําเนิดเป็นเอ่อไม่ไม่ใช่สมาธิโดยชาติกําเนิดแต่เป็นสมาธิโดยกิริยากิริยาที่เกื้อกูลต่อสมาธินะนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิโดยชาติกําเนิด สมาธิเนี่ยนะยังไงมันก็เป็นสมาธิวันยังค่ำเหมือนกันเถอะแต่สติกับวายามะเนี่ยนะสัมมาสติสัมมาวายามะสติกับสาวสติประทานสามะประธานเนี่ยพวกนี้เป็นโดยกิริยาในหน้าส4 2ออนับขึ้นห้าหบรรทัดเนี่ยนะที่บอกว่าสมาธิเนี่ยนะในในองค์มรรอีกสามคือสมาธิสมาธิขันเนี่ยสมาธิขันนีมนน่มีอะไรบ้าง ที่ที่นายมักอ่ะนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านบอกว่าสัมมาสมาธิจําต้องอาศัยอุปการะจากวายามะและจากสติจึงจะเป็นอุปการะจึงจะตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าไม่มีวิริยะและมีสติเป็นตัวอุปการะก็ตั้งมั่นไม่ได้นะอุปการะนะอุปการะที่สําคัญต่อสมาธิคือวายามะกับสติ ท่านบอกว่าวิริยะทำหน้าที่ประคับประคองสติทําหน้าที่เคลา้าเคลงสมาธิกลายเป็นธรรมชาติที่ได้รับอุปการะจากสติและจากวิริยะจึงเป็นอุปจาระและอัปปนาจึงสามารถเป็นอัปปนาแนบแน่นตั้งมั่นได้เขาก็อุปมาสามอย่างนี้ว่ามีสามเกลอสมเกลอสเกล อ, กลอนี้ชวนเข้าไปในสวนอุทยานตั้งใจว่าพวกเราจะเล่นงานนกษัตริย์อีกคนหนึ่งก็ไปพบดอกจำปา ดอกจำปาบานดีไอ้จำปาต้นนี้ก็คือดอกอะไรนะดอกลั่นทมอ่ะนะจำปาก็คือดอกประเภทกลุ่มลั่นทมที่เมืองแขกในอเมริกาต้นประเภทเนี้เยอะมากเขาก็อยากจะเอาดอกไม้พวกนี้มาทัดอนนมันมเน็บหูไปเที่ยวงานอ่ะนะเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นก็จะจะเด็ดเอาดอกไม้เนี่ยมนเน็บหูอ่ะนะก็เด็ดเน็บเอ่อคือเรียกว่าอะไรนะยื่นมือไปเด็ดยังไงก็ยื่นไปถึงไอคนที่สองก็เลยก้มหลังให้อันนั้นเขาไปยืนบนหลังให้แล้วกันนี่ยืนบนหลังเนี่ย พยืนบนหลังก็ยังเด็ดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันสั่นอยู่ไม่มีที่จับอีกคนที่อีกคนที่สามก็ไปยื่นบ่าให้อ่านะไอ้นนะี่คนที่ยืนบนหลังจับบ่าเพื่อนก็เลยสา ม, มารถที่จะเด็ดเอาดอกจำปาเนี่ยนะมันเหน็บหูแล้วไปเที่ยว ง, งานนักษัตริย์ไปเที่ยว ง, งานอย่างสบายฉันใดทําทั้งสามคือวายามะสติสมาธิเนี่ยนะทั้งสามอย่างนี่ก็เหมือนกับสามเกลอเนี่ยนะเพราะเกิดร่วมกันอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนดอกจำปาสมาธิเนี่ยนะ ไม่สามารถจะถึงชาญได้โดยภาวะโดดเตี่ยวลําพังของตัวก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปถ้าดอกไม้มันอยู่สูงไม่สามารถจะหยิบยื่นมือไปเด็ดโดยโดยมือธรรมดาได้มันวายามะคือความพยายามจึงน้อมหลังไปให้เหยียบสติก็ตั้งมั่นไปให้เหมือนกับยื่นบ่าไปให้จับมันสมาธิที่วิริยะทําการประคับประคองสติทําหน้าที่เคล้าคลึงตัวสมาธิได้รับอุปการะจาก วิริยะจากสติแล้วก็บรรุชฌานเพราะเป็นภาวะที่โดดเด่นในอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวายามะกับสตินั้นเป็นชาติสมาธิโดยกิริยาเป็นสมาธิโดยพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อสมาธิเพราะว่าสมาธิถ้าไม่มีวิริยะไม่มีสติก็ไปไม่รอดทีนี้สัมมาสังกปัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ เป็นยังไงท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะปกติแล้วสัมมาทิฏฐิไม่สามารถจะตัดสินอารมณ์คือไม่สามารถใส่ใจได้ว่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความสามารถของตนแต่ตั ว, ต, ว, ต, วตัวปัญญานะบอกนี้อ น, นิจจังนี้ทุกขังนี้อนัตตาโดยธรรมดาตัวเองอะยากแต่เมื่อวิตกเนี่ยนะ อากโกเตตะวะค่อยๆทุบแล้วย่อยแล้วก็ส่งให้ถามว่าอย่างไรเหมือนเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยเอาเหรียญกระสาบมาวางบนมือแม้อยากจะสํารวจดูทุกส่วนก็ไม่สามารถจะพลิกใช้ตาเนี่ยพลิกเหรียญได้ไหมไม่ได้ต่อเมื่อใช้นิ้วมือพลิกจึงสามารถดูได้ทุกส่วนฉันใดปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่สามารถจะชี้ขาดอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลำตามลําพังของตน แต่สามารถชี้ขาดจากอารมณ์ที่วิตกยกขึ้นให้เป็นลักษณะทั้งจดจอ่อทั้งจับเพราะฉะนั้นปัญญาจึงจะสามารถที่จะอ่านตามนั้นได้เหมือนเราอ่านหนังสือเราอยากอ่านทั้งเล่มเนี่ยนะใช้สายตาเนี่ยเปิดอ่านหนังสือได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้มือใช่ ป, ปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับตาวิตกก็เหมือนกับมือที่พลิกเพื่อจะอ่านคาสอนฉะนั้นเนี่ยนะสัมมาสังกัปะนั้นจึงเป็น ปัญญาโดยกิริยาสมาธิที่โดยชาติกำเนิดเนี่ยนะเป็นปัญญาโดยชาติกำเนิดทีนี้ปัญหาต่อไปเนี่ยนะปัญหาต่อไปบอกพระแม่เจ้าธรรมะอะไรเป็นสมาธิเนี่ยนะอะไรคือสมาธิตัวนี้เป็นแค่เรียกว่าเป็นปัญหาในมัคคิจนะในหน้า327ย่เนี่ยนะย่อหน้าที่สองจากข้างล่างเนี่ยธรรมะอะไรเป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญหาในมัคจิต ธรรมะอะไรเป็นนิมิตแห่งสมาธิธรรมะอะไรเป็นบริขารของสมาธิสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นอย่างไรธรรมทินนาพิสุณีก็ตอบว่าความที่จิตเป็นเอกักขตาอันนี้เป็นสมาธิสมาธิคืออะไรคือเอกักขตาแห่งจิตความไม่สัตสายแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยนะความตั้งมั่นแห่งจิตนี้เรียกว่าเป็นสมาธิสติปัฏฐานเป็นเครื่องหมายของสมาธิ เครื่องหมายคือนิมิตเนี่ยนะสติประทานเป็นนิมิตของสมาธิสัมมัตสัมมปทานทั้งสี่เป็นบริขารบริขารสิ่งแวดล้อมของสมาธิความเสพธรรมะเหล่านั้นเนืองๆการทำให้ธรรมะเหล่านั้นเจริญ ธรรมะเหล่านั้นให้มากอันนี้เป็นสมาธิภาวนาคือการทําสมาธิทําสติปัญญาทําสัมมปาปัญญาให้บ่อยๆให้เนืองๆให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไปการสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปเรียกว่าสมาธิภาวนาอั น, นั้นสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นเป็นอะไรเป็นการเจริญสติสมาธิแล้วก็วิริยะเนี่ยนะเลยเรียกว่าสมาธิภาวนาเพราะว่า สมาธินั้นน่จะต้องมีสติประธานเป็นนิมิตเครื่องหมายมีสัมมาประธานเป็นบริขารแล้วก็ทำทั้งสติสมาธิปัญญาสติวิริยะสมาธิอันนี้ให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นให้เติบโตบ่อยๆนี่เรียกว่าสมาธิภาวนา